วิธีสละสันทัดที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันทัดขนเจียมดำล้วนผืนนี้กระผมใช้ให้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดขนเจียมดำล้วนผืนนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยยติกัมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าสันถัดคนเจียมดำล้วนผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้สันถัดคนเจียมดำล้วนผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป หอมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันทัดคนเจียมดำล้วนผืนนี้กระผมใช้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดคนเจียมดำล้วนผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า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 กระผมสละสันถัดคนเจียมดำล้วนผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัตแล้วคืนสันถัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสันถัดพืนนี้ให้แก่ท่าน